270 รวมเรื่องที่มีในจำปยขันธกะจำปยขันธกะ 36 เรื่องคือเรื่องพระผู้มีพระภาคประทับ แต่ถูกภิกษุอคันตุกะลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ธรรมจึงไปเฝ้าพระชินเจ้าเรื่องภิกษุชาวกรุง ภิกษุรูปเดียว ภิกษุ 2 รูปลงอุเขปนิยกรรมสงฆ์บ้างภิกษุหลายรูปลงอุเขปนิยกรรมภิกษุรูปเดียวบ้างภิกษุ 2 รูปบ้างแล้วตรัสถามเพราะ เรื่องกรรมที่ยัตติวิบัติอนุสวนาสมบูรณ์วิบัติโดยอนุสวนาสมบูรณ์ด้วยยัตติวิบัติทั้ง 2 อย่างทำกรรมพร้อมเพรียงกันโดย พระตถาคตทรงอนุญาตกรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยธรรมเท่านั้นเรื่องสงฆ์ 5 ประเภทคือสงฆ์จตุวรรคสงฆ์ปัญจวัคสงฆ์ทสวัคสงฆ์วีสติวัคและ อุบัติสมบทกรรมในมัชฌิมประเทศและอภานนกรรมนอกนั้นสงฆ์ 14 จําพวกคือภิกษุณีศิลขมานาสามเณรสามเณรีภิกษุผู้บอก ถูกส่งลงอุกเขปนิยกรรมเพราะ ภิกษุผู้เป็นนานาสังฆาฏิภิกษุผู้อยู่ในรวม 24 จําพวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นคณะปุรกะไม่ได้ 4 ให้บริวาท ให้มานัสหรืออพาลเป็นกรรมที่ใช้ไม่ได้ 4 สงฆ์มีภิกษุผู้ 4 สงฆ์มีภิกษุ 4 สงฆ์มีภิกษุผู้คนอพาลเป็นที่ 4 า, กกรร27 จำพวกคือ ภิกษุนี้สิกขมานาสามเณรสามเณรีภิกษุผู้บอกลาสิกขาผู้ต้องอันติมวัตถุวิคคนจริตมีจิตฟังก์ชันกระสับกระส่ายเพราะเวทนาถูกลงอุเขปนิยกรรม คนผู้ฆ่าบิดาคนผู้ฆ่าพระอรหันต์คนประทุษร้ายภิกษุณีคนผู้ทำลายสงฆ์คนทำร้ายพระศาสดาจนถึงห่อพระโลหิตอุปโต 27 จำพวก เรื่องคำคัดค้านของภิกษุประกตัตตะฟังขึ้นเรื่องบุคคลที่ถูกขับออกไปดีและบุคคลที่ถูกขับออกไปไม่คือบรรโดคนลกะเพทภิกษุผู้เข้ารีดเดรัจฉีสัตว์เดรัจฉานคนฆ่ามารดาคนฆ่าบิดาคน อปโตพยัญชนะกคน 18 จำพวกนี้ไม่ควรรับเข้าหมู่เรื่องคน 32 จำพวกคือคนมือด้วนเท้าด้วนทั้งมือทั้งเท้าด้วน คนถูกคนมีหมายจับคนเท้าปุกโทษคนมีรูปร่างไม่สมประกอบคนตาบอดข้างเดียวคนง่อยคนกระจอกหวายคนมีคนตาบอดทั้งสองข้างจับคนหูหนวกเท้าคนทั้งบอดทั้งหนวก คนทั้งใบทั้งหนวกคนทั้งบ่อทั้งใบทั้งหนวกคน 32 จำพวกนี้ เรื่องการลงอุเกขปณิยกรรมภิกษุที่ต้องอาบัติไม่ชอบธรรมอีก 7 กรณีเร ธรรมตัดสปาปิยษิกากรรมแกฤฏ يعศพูดควร อมูลUB โลงตัดชน rat ri q m ฤฏ wij q m 晤ฏ Whole ยวนช ตัดสปาปิยษi g g g โลงนิยษักรรมแกฤฏ aos hot をปิยษักรรม โลงปVI จับพูดควรโลงปฏชนิยกรรมแกฤฏ animations โลงปฏติ CiaoandraJ insv��กา กรรมแกฤฏ spielt96 paud が than ให้ปริว่ากแกพฯุผู้ควร อูแคนิidity blond ชักพฯุผู้ควรปริว่าเขาหาอาบัดเดิมให้มานัศใก รวม16 กرรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร เป็นกรรรรรรรรรรรร เรื่องทำกรรมนั้นๆแก่ภิกษุ 16 กรณีเป็นกรรมที่ชอบด้วยธรรมชอบด้วยวินัยเรื่องธรรมไม่ชอบ 2 หมวดเรื่องทำกรรม เรื่องสงแบ่งพวกโดยไม่ชอบทำสงฆ์แบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ก่อความบาดม้างเรื่องภิกษุในอาวาสอื่นพร้อมเพรียงกันโดย แบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปและพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปนักปราชญ์ ตราบโอเคปณิยกรรมแก่ภิกษุผู้ไม่เห็นอาบัดไม่ทําคืนอาบัดและไม่สละทิฏฐิบาปเรื่องการ สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมคัดค้านว่ากรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมทำไม่ถูกต้องทำใหม่และเมื่อกรรมระงับภิกษุเหล่านั้นเป็นธัมมวาทีพระมหาโมณีได้รับความลำบากโดยกรรมวิบัติจึงทรงชี้วิธีระงับไว้ดุจนายแพทย์ผู้ชำนาญได้บอกตัวยาไว้ฉะนั้นแจ่มปยยขันธกะจบ สังภิกขขันฑกะ 271 โกสํภิกะวิวาทกถาว่าด้วยเรื่องภิกษุ แต่ภิกษุพวกอื่นมีความเห็นในอารามนั้นว่าไม่เป็นอารามต่อมาภิกษุรูปนั้นกลับมีความเห็นในอารามนั้นว่าไม่เป็นอารามแต่ภิกษุพวกอื่น ผมไม่มีอาบัติที่จะพึงเห็นภายหลังภิกษุเหล่านั้นได้ความพร้อมเพรียงกันแล้วจึงลงอุเกขปณิยกรรมภิกษุรูป ภิกษุรูปนั้นเข้าไปหาพวกภิกษุที่เป็นเพื่อนเห็นเพื่อนคบกันมาแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายนั่นไม่ ท่านทั้งหลายจงเป็นฝ่ายผมโดยธรรมโดยวินัยเถิดภิกษุรูปนั้นได้พวกผม ผมไม่ถูกลงอุเขปนิยกรรมผมถูกลงอุเขปนิยกรรมหามิได้แต่ถูกลงอุเขปนิยกรรมด้วยกรรมครั้ง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 แต่ถูกลงอุเขปนิยกรรมด้วยกรรมที่ไม่ชอบธรรมเป็นความเสียหายไม่ควรแก่ฐานะเมื่อ ภิกษุรูปนั้นถูกลงอุเกขปนิยกรรมแล้วภิกษุรูปนั้นไม่ถูกลงอุเกขปนิยกรรมหามิได้เธอถูกลงอุเกขปนิยกรรม แม้ถูกพวกภิกษุผู้ลงอุคเรปณิกรรมว่ากล่าวอย่างนี้ก็ยังประพฤติตามยังห้อมล้อม ก็ประธานพระวโรกาฐภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติแล้วมี ภิกษุเหล่านั้นได้ท่านท่านต้องอาบัติแล้วท่านจงเห็นอาบัตินั้นภิกษุรูปนั้นท่านทั้งหลายผมไม่นั้นได้มีความพร้อมเพรียงแล้วจึงลงอุเกขปนิยกรรมภิกษุรูปนั้นเพราะไม่เห็นอาบัติพระ ชำนาญปริญญาทรงธรรมทรงวินัยสมมาทิกาเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญามีความละอายมี ผมไม่ถูกลงอุเกขปนิยกรรมผมถูกลงอุเกขปนิยกรรมหา ที่เป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมาว่าท่านทั้งหลายนั่นไม่เป็นอาบัตินั่นเป็น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 ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติหามิได้ภิกษุรูปนั้นไม่ถูก นั่นเป็นอาบัตินั่นไม่เป็นอาบัติหามิได้ภิกษุรูปนั้น พระพุทธเจ้าค่ะพวกภิกษุผู้ประพฤติตามกันภิกษุสงฆ์จะแตก ก็ไปหาพวกภิกษุผู้ลงอุเขปนิยกรรมประทับนั่งบนพระพุทธอาสน์ที่จัดไว้แล้วได้ตรัสกับภิกษุผู้ลงอุเขปนิยกรรม ภิกษุผู้ต้องอาบัติแล้วมีความนั้นว่าเป็นอารามพวกภิกษุอื่นภิกษุทั้งหลายถ้าเป็นปหุสูตละถึงฝ่ายการศึกษา ต้องความบาดหมางอุโบสถแยกความวิวาสความแตกแข่งสงรูปความแบ่งแยกแข่งสงความบาดหมางความทะเลาะความขัดแย้ง ในกรณีนี้ภิกษุผู้ต้องอาบัดนั้นมีความเห็นใน ต้องปวารณาแยกจากภิกษุรูปนี้จะทําสังฆกรรม จะอยู่ในที่มุมบางเดียวกันร่วมกับภิกษุรูปนี้ไม่ได้ต้องอยู่ จึงมีเรื่องนั้นเป็นเหตุจะมีแก่สงฆ์ภิกษุ เข้าไปหาพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุเขปนิยกรรมประทับบนพุทธอา ก็ในกรณีที่ภิกษุต้องอาบัดแล้วมีความ ถ้าภิกษุเหล่านี้จะลงอุเกขปณิยกรรมเราเพราะไม่เห็นอาบัติภิกษุเหล่านั้น พวกภิกษุผู้ตระหนักในความแตกกันจึงไม่พึงลงอุเขปนิยกรรม ถ้าภิกษุรูปนั้นรู้จักภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้แลเป็นพระอูสูทละถึง จะทำสังฆกรรมร่วมกับเราไม่ได้ต้องทำสังฆกรรม คำสามีติกรรมร่วมกับเราไม่ได้ต้องทำแยกจากเราพรรษาร่วมกับเราไม่ได้ต้องทําแยกจากเราความบาด ครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนั้นแก่พวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุเกขปณิยกรรมแล้ว ทำอุโบสถภายในสีมาสมัยนั้นพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุเกฬปณิยกรรมทำอุโบสถทำสังฆกรรมภายใน ถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณ พระผู้ภิกษุถ้าพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุเขปนิยกรรมนั้นจะทำภิกษุเหล่านั้น จะทําอุโบสถสังฆกรรมภายในสีมานั้นกรรมเหล่านั้นแม่ของพวกเธอก็เป็นกรรมที่ถูกต้อง ภิกษุนานาสังวาสกภูมิ 1 ภิกษุทําตนให้เป็นนานา สมณสังวาสกะภูมิมีอย 2 อย่างนี้คือ 1 ภิกษุทําตนให้เป็นสมณสังวาสด้วยตนเอง 2 สงฆ์ เกิดแสดงกายกรรมทะเลาะวิวาทแสดงกายกรรมวจีกรรมอันไม่สมควรต่อกันและกันฉุดรั้ง ก็ภิกษุได้ยิงคน พวกภิกษุเกิดความบาดม้าง ภิกษุเหล่านั้นพึงนั่งบนอาสนะโดยคิดว่าเพราะ ถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ในถ้ำ เกิดการทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ในถ้ำกลางสงฆ์ Vocês turned on paths, hitting on the other who turned in a light. You spoken with the same person, with watermelon is used by animal or human. declare them to be typical as for yourself, to defeat them through smartphones. around and to birth, They're raised by their own propose of following the holyesser nat. This Romeo the Japanese Arrival. All prayers uncovered as And nitrogen as this. click on the пс這個是 that were added Mary Peiss. Give God Gold, darling, ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงขวัญขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์จะปรากฏเพราะความบาดม้างความทะเลาะความ ภิกษุฝ่ายอธรรมวาติรูปนั้นได้กราบทูลอีกเป็นครั้งที่ 2 ว่าขอพระ